สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านคะ่ะวันนี้บีกลับมาพร้อมกับเรื่องราวที่น่ากลัวเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเรื่องผีในช่องนี้จะเป็นเรื่องผีที่ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายนักอาจจะเป็นด้วยเรื่องของผู้เล่าเองไม่ได้ชำนาญในการเล่าเรื่องให้น่ากลัวแต่ว่าเล่าเรื่องให้น่าฟังนะคะก่อนอื่นบีเองก็ต้องกราบขอบพระคุณสาหรับข้อความต่างๆที่ส่งเข้ามาทาง Facebook แฟนเพจพระเจอผี เรียกว่าเยอะมากเลยบีเองก็พยายามไล่ตอบทุกข้อความไล่ตอบทุกคอมเมนต์รวมถึงคอมเมนต์ในชาแนลพระเจอผีด้วยก็เช่นกันค่ะข้อความไหนที่หลุดรอดสายตาของบีไปไล่ตอบไม่ทันกดถูกใจให้ไม่ทันหรือว่ากดหัวใจให้ไม่ทันคุณผู้ฟังอย่าพึ่งเครื่องบีนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะมีเรื่องมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นเรื่องเล่าจากทางบ้านที่ส่งเข้ามาทางแฟนเพจพระเจอผีนะคะจากผู้ที่ใช้ f เฟซบุ๊ก ที่ชื่อว่าธิวาทิตค่ะหรือว่าคุณไผ่คุณไผ่บอกว่าเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะโดยเรื่องนี้นี่เกิดขึ้นตอนที่คุณไผ่เองอยู่ชั้นมสี่ช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมค่ะพอดีอาของคุณไผ่เนี่ยเสียชีวิตแล้วก็เพิ่งจะทําพิธีอะไรให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยคุณแม่ก็มาอยู่กับคุณพ่อที่กรุงเทพส่วนคุณไผ่เองอยู่บ้านกับน้องชายค่ะก็อยู่กันแค่สองคนพี่น้องแต่ว่าน้องชายเนี่ยก็จะมักจะไปนอนที่บ้านของคุณตา แล้วเรื่องมันก็เกิดขึ้นจนได้คุณผู้ฟังเรียกว่าไม่ได้เกิดขึ้นแบบธรรมดาซะด้วยเพราะว่าเรื่องนี้นี่มันเกิดขึ้นถึง7วันรวดเลยแหละค่ะบ้านของคุณไผ่เนี่เป็นบ้านสองชั้นยกสูงแบบทางภาคอีสานคุณผู้ฟังน่าจะขีดภาพออกนะคะคุณแม่บอกว่ายังไงก็ต้องนอนเฝ้าบ้านนะเพราะว่ากลัวของจะหายคุณไผ่ค่ะด้วยความที่เป็นลูกผู้ชายแล้วก็เป็นลูกคนโตก็จําใจต้องนอนแหละนะเพราะว่าน้องไม่กล้านอนด้วย คืนแรกค่ะหลังจากที่แม่กลับไปที่กรุงเทพแล้วคุณไผ่ก็จะกินข้าวที่บ้านของคุณตาก่อนพอได้เวลาก็จะมานอนอยู่ที่บ้านของตัวเองทีนี้พอก้าวเท้าขึ้นบันไดเท่านั้นมันมีเสียงคนกระโดดลงมาจากตู้ค่ะแล้ววิ่งเข้าไปที่ห้องพระคุณไผ่หยุดแล้วหาอาวุธเพราะคิดนะฮะว่ามันต้องเป็นโจรแน่นอนทีนี้พอเดินขึ้นไปไม่เจออะไรเลยก็รู้สึกหวั่นหวันอยู่ในใจแล้วล่ะ ก็เลยจะไปนอนบ้านตาก่อนเป็นแบบนี้อยู่สามคืนค่ะจนคืนที่4นีนี่เรียกว่าคืนนี้โหดสุดเลย ค, คืนนั้นนะคะคุณไผ่เองเนี่ยก็ดื่มนะคะเรียกว่าดื่มเพื่อที่จะดับความกลุ่มใจแล้วก็ย้อมใจมาเพราะว่ายัางไม่ได้เข้าบ้านเลยแล้วก็ยังไม่ได้นอนบ้านด้วยพอได้ยาทาสนะักเกรงเข้าก็ไม่รู้สึกกลัวแล้วล่ะคะ่ะก้าวเท้าขึ้นบันไดก็ผายมือออกแล้วบอกว่าเชิญมาเลย เราก็เดินขึ้นห้องนอนอย่างกล้าหาญหัวถึงหมอนประมาณห้านาทีก็มีคนมาเรียกบอกไัยไผ่ยังไม่ทันได้เห็นตัวเลยคุณไผ่เขาขานรับสะละบอกเออไม่ถึงสามวิคุณผู้ฟังมีเสียงคนวิ่งขึ้นบันไดบ้านมาเลยเปิดประตูแล้วเข้ามุ้งมานอนกอดเฉยเลยค่ะเป็นผู้หญิงผมปะบ่าใส่เสื้อแบบคนแก่นุ่งผ้าสิ้นไม่ใช่คนแก่นะแต่มองไม่เห็นหน้า รู้ทันทีว่าไม่ใช่คนแน่นอนละตอนนั้นเองนะคะคุณไผ่ก็เลยต้องตัดสินใจลุกขึ้นแต่คุณไผ่บอกไม่ค่อยกลัวนะแล้วก็เปิดมุ้งมาที่ประตูกำลังจะเปิดออกมีเสียงจากด้านหลังบอกสิไปไซคุณไผ่บอกว่าสิไปบานพ่อโ ต, โตแล้วก็พูดว่ามห oh ้ไปดอกแล้วก็คลานมา กอดขาคุณไผ่ไว้เฉยเลยค่ะกอดขาข้างซ้ายอยู่อย่างนั้นแหละก็สลัดสลัดสลัดยังไงก็ไม่หลุดนะคะก็เลยสวดมนต์ความรู้สึกเหมือนกับเราฝันนะแต่คุณไผ่ ย, ย้ำเลยบอกว่าผมไม่ได้ฝันนะคุณบีผมสวดมนต์ไปสักพักหนึ่งเขาก็ปล่อยผมก็ถีบประตูแล้วก็วิ่งกระโดดจากชั้นบนเนี่ยลงมาแบบแบบจาพนมอะค่ะหมวน300้ตลบแล้วก็ลงมาเลย วิ่งแบบตีนแตก300เมตรมาบ้านตาโหหมานี่ทั้งเห่าทั้งหอนทั้งวิ่งไล่จนมาถึงบ้านคุณตาก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ตาฟังตาก็เลยทำสายสินมาคล้องคอให้แล้วก็ให้นอนที่บ้านตาเรื่องนี้เนี่ยแค่4ี่คืนนะคะคืนที่5เจออีกเดี๋ยวจะส่งมาเล่าให้ฟังทั้งหมดเกิดขึ้น7วันรวด จนพี่น้องสองคนเนี่ยนอนที่บ้านหลังนี้ไม่ได้ค่ะคุณแม่ก็เลยต้องกลับมาจากกรุงเทพเพื่อที่จะกลับมานอนที่บ้านคุณภผ่บอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาสรุปนะคะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรในชื่อเรื่องว่าบ้านของผมเนี่ยหน่าหีกตรงนี้แหละ กำลังเล่าสนุกเล ย, เยคนเล่านี่ก็ลุ้นไปสิแล้วคนเล่าลุ้นขนาดนี้คนฟังจะลุ้นขนาดไหนมันก็คาราคาซังแบบนี้คุณที่วาทิตหรือคุณพายต้องรีบส่งเข้ามานะถ้าไม่ได้ฟังนะบีจะไม่เล่าเรื่องให้ฟังอีกเลยนะจะบอกให้แมยังไงก็ต้องขอบคุณคุณทิวาทิตด้วยก็แล้วกันนะคะกับเรื่องนี้รอติดตามอยู่นะคะสําหรับภาคสองและหวังว่าจะเป็นภาคจบด้วยนะคะเรื่องต่อมาค่ะคุณผู้ฟัง เราจะมาพูดถึงเรื่องของกระทงกระทงที่ว่าเนี่ไม่ใช่กระทงที่เอาไปลอยน้ำในคืนวันเพ็ญเดือน12 น้ำก็นองเต็มตลิ่งไม่ใช่นะคะแต่ว่าเป็นกระทงผีค่ะกระดงสี่เหลี่ยมที่เอาไว้ใส่พวกอาหารต่างๆใส่ใบตองใส่อะไรอย่างนี้เพื่อที่จะเอาไปวางไว้ตรงทางสามแพ่งด้วยมีความเชื่อว่าคนที่ตายอยู่ตรงนั้นจะได้กินจะได้ไม่ต้องอดอยากในอะไรประมาณนี้แหละนะคะเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่บีขอนุ ญ, ญาตหยิบมาจากทางด้านของเว็บไซต์พันทิปกระทุผี เป็นเรื่องที่ได้รับฟังมาจากเพื่อนที่เรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันเพื่อนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเขาชื่อคุณป้อมค่ะคุณป้อมบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนอายุประมาณ 12-13 โดยคุณป้อมเล่านะคะว่าที่หมู่บ้านของคุณป้อมนี่จะมีลานกีฬาอยู่แห่งหนึ่งลานกีฬานี้เนี่ยจะอยู่ติดกับทางโคง้งเป็นโค้งอันตรายอยู่โค้งหนึ่งซึ่งโค้งนี้เนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยมากแล้วก็มีคนเสียชีวิตอยู่ที่นี่เป็นประจําค่ะ แถวหมู่บ้านของคุณป้อมนั้นถ้ามีคนตายหงในสถานที่ใดาญาติพี่น้องของคนตายค่ะก็จะนำข้าวปลาอาหารแล้วก็ขนมนมเนยต่างๆเอาไปใส่กระทงใบตองเอามาวางไว้ตรงจุดที่มีคนตายเพื่อที่จะให้คนที่ตายนีย่เขาจะได้ไม่ต้องอดอยากนะคะเย็นวันหนึ่งค่ะคุณป้อมแล้วก็เพื่อนๆนี่ก็พากันไปเตะบอลที่ลานกีฬาในขณะที่กาลังเตะบอลกันอย่างสนุกสนานมีอยู่จังหวะหนึ่ง คุณป้อมเนี่ยเตะลูกบอลออกไปนอกสนามแล้วก็ไปตกอยู่แถวทางโคง้งคุณป้อมก็เลยวิ่งไปเก็บลูกบอลเพื่อจะนำมาเล่นต่อนะคะแต่ว่าคุณป้อมไม่ได้สังเกตดูเลยว่าลูกบอล น, นั้นเนี่ยมันไปตกใส่กระทงอาหารที่มีคนวางไว้จนคว่าไปหมดเลยอาหารในกระทงกระจัดกระจายเต็มพื้นค่ะแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรก็หยิบลูกบอลไปเล่นกันต่อ คุณป้อมกับเพื่อนก็เตะบอลกันจนเกือบ2องทุ่มเลยนะถึงพากันเลิกเตะแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านบ้านของคุณป้อมเนี่ยอยู่ไม่ห่างจากลานกีฬาเท่าไหร่นักันนะคะโดยบ้านที่คุณป้อมอยู่เนี่ยเดินกลับไปก็ถึงแล้วส่วนเพื่อนที่บ้านอยู่ไกลก็ขับรถกลับกันไปก่อนหน้าแล้วถัดจากลานกีฬาไปค่ะจะมีศาลาประชาคมของหมู่บ้านที่ศาลาแห่งนี้จะมีแท้งน้ําคุณป้อมเนี่ยก็เลยไปล้างหน้าล้างตาที่แท้งน้ํานั้น แต่ว่าในขณะที่กำลังก้มล้างหน้าอยู่จู่ๆค่ะก็มีเสียงเหมือนคนพูดลอยมาตามลมบอกหิวข้าวเป็นเสียงพูดยันยันเนี่ยนะคะคุณป้อมได้ยินก็หันมองซ้ายทีขวาทีแต่เอ๊ไม่มีใครอยู่บริเวณนี้เลยนี่หว่าคุณป้อมก็เลยคิดว่าเออหูคงฝาดไปเองล่ะก็เลยรีบเดินกลับบ้านค่ะ พอเดินมาถึงบ้านทำอะไรเรียบร้อยแล้วก็นั่งเล่นเกมที่บ้านต่อซึ่งบ้านของคุณป้อมเนี่ยมันจะมีอยู่สองชั้นห้องนอนของคุณป้อมเนี่ยจะอยู่ชั้นบนและห้องนอนของพ่อแม่จะอยู่ติดกับห้องนอนของคุณป้อมด้วย ที่หลังห้องนอนของคุณป้อมเนี่ยเปิดประตูออกไปจะเป็นระเบียงเล็กๆให้ออกไปยืนเล่นได้นะคะแล้วด้านซ้ายมือของประตูหลังห้องเนี่ยจะมีหน้าต่างกระจกบานเกรดด้วยที่นอนของป้อมก็จะหันเท้าไปทางระเบียงที่ระเบียงป้อมจะเปิดไฟไว้ให้มีแสงสว่างอยู่บ้างพอสมควรค่ะตอนนั้นเวลาประมาณสี่ทุ่มคุณป้อมเองก็กาลังนั่งเล่นเกมอยู่ แต่ว่าทันใดนั้นคุณผู้ฟังคุณป้อมก็ได้ยินเสียงมีคนมาเคาะบานเกล็ดดังแ ก, ก๊แกๆ ก, กนะคะตกใจสะดุง้งละสายตาจากจอทีวีมองไปที่บานเกลด็ดแต่ก็ไม่เห็นอะไรนะก็เลยไม่ได้สนใจก็หันกลับมาเล่นเกมต่อสักพักเอาอีกแล้วค่ะมีเสียงเคาะแก๊แกแๆลกตอนนี้คุณป้อมก็เริ่มใจวิวแล้วละ่ะแล้วก็ละสายตาจากทีวีมองไปที่บานเกล็ดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคราวนี้คุณผู้ฟังหลังบานเกล็ดตรงระเบียงเนี่ย คุณป้อมเห็นว่ามีเงาดำๆยืนอยู่คุณป้อมรู้สึกตัวร้อนเผาๆไปทางร่างกายขนหัวลุกขึ้นแบบไม่ได้นัดหมายมือไม้นี่เกรงจิกหมอนกันแน่นเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆเอื้อมมือไปเปิดสวิตไฟที่อยู่ตรงหัวนอนพอเปิดไฟปุ๊บเงานั้นก็หายไปคุณป้อมก็เบื่ใจขึ้นมานิดนึงที่ไม่เห็นเงานั้นก็เลยรีบปิดเกมปิดทีวีปิดไฟเพื่อเตรียมจะเข้านอนแต่พอปิดไฟปุ๊บค่ะ ป้อมก็มองไปที่บันเกล็ดอีกทีนี้ตกใจเพราะว่าเงานั้นมันกลับมาอีกแล้วแล้วตอนนี้คุณป้อมก็มั่นใจแล้วล่ะค่ะว่ามันไม่ปกติอย่างแน่นอนก็เลยทำท่าจะลุกออกจากที่นอนไปหาคุณพ่อกับคุณแม่ที่ห้องข้างๆแต่ว่าคุณป้อมก็ลุกไม่ขึ้นขยับตัวยังไงก็ขยับตัวไม่ได้มันมีความรู้สึกเหมือนถูกตรึงไว้กับที่นอน แม้แต่แรงจะอ้าปากร้องเรียกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็แทบจะไม่มีเลยแล้วอยู่ๆก็มีเสียงลอยมาตามลมบอกหิวข uh ้าวกูหิวข้าวพอสิ้นเสียงค่ะคุณผู้ฟังคุณป้อมเห็นเงานั้นเนี่ยค่อ ย, อยๆโผล่หัวทะลุบานเกล็ดเข้ามาเป็นหน้าผู้ชายนะคุณป้อมบอกตัดผมสั้นเกลียน แต่ว่าหน้านั้นมันเบี้ยวผิดรูปยุบไปข้างนึงเหมือนโดนกระแทกอะไรมาอย่างแรงดวงตาเหลือกโปนเลยนะคะเลือดไหลเต็มหน้าตอนนั้นคุณป้อมรู้แล้วล่ะค่ะว่าเจ้าของเสียงคือใครกูหิวข้าวเอาข้าวให้กูเอาข้าวให้กูพูดซ้ำๆอยู่แบบเนี้ยแล้วร่างนั้นก็ทำท่าจะพุ่งเข้ามาหาคุณป้อมเหมือนจะมาจับตัวคุณป้อมพอถึงตอนนี้ละค่ะป้อมเอ้ย สติสตางเนี่ยแตกกระเจิงฉี่แทบราดเกงเกงพยายามรวบรวมกำลังตะโกนออกมาบอกว่าแม่ช่วยด้วยร่างนั้นกระโจนเกือบจะถึงตัวป้อมพอดีที่มีเสียงประตูห้องเนี่ยถูกเคาะนะคะก็คือห้องของป้อมเนี่ยถูกเคาะประตูเสียงดังปังปังปังปั้ ง, ง, ง, ง, งร่างนั้นก็หายไป คุณป้อมก็เลยหลุดจากภาวังนั้นรีบพุ่งไปเปิดประตูพอเปิดประตูก็เห็นแม่ยืนอยู่ค่ะคุณป้อมผวากรอดแม่แน่นร้องไห้พูดไม่ได้สับแม่ก็เลยปลอบแล้วก็นอนเป็นเพื่อนป้อมพอเช้ามาป้อมมีสติก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่ก็เลยพาป้อมไปทําบุญเสดาจเคราะห์ถวายสังฆทานแล้วก็เล่าเรื่องราวให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็เลยพูดว่าเป็นเพราะว่าเขาหิวเขาก็เลยมาขอกินเรานี่อาจจะไปทํากระทงข้าว ข, ของเขาคว่ำโดยไม่ตั้งใจ หลวงพ่อก็เลยแนะนำว่าให้ทำกระทงใส่อาหารใหม่ไปให้เขาแล้วก็ขอขมาเขาให้อโหสิกรรมต่อกันด้วยเรื่องราวทั้งหมดก็มีอยู่เท่านี้แหละนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่ากลัวน่ากลัวอี ก, กเรื่องหนึ่งค่ะที่บีหยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นเรื่องของกระทงผีนะคะเรื่องต่อไปค่ะที่บีจะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์จริง ที่เกิดขึ้นกับลุงและก็หลานชายเรื่องนี้คุณลุงเป็นคนเล่าให้ฟังนะคะแกบอกว่าเกิดขึ้นมาประมาณ20กว่าปีแล้วคุณลุงเนี่ยแกจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเจ้าของร้านขายกล้าพันไม้เป็นพวกไม้ผลบ้างไม้ประดับบ้างประมาณนี้นะคะแล้วก็มีต้นไม้หลายอย่างเลยค่ะแต่ว่ามีบางครั้งที่คุณลุงเองเนี่ย แกต้องขับรถไปเอาพันไม้จากที่อื่นเพื่อที่จะเอามาขายบ้างหรือไม่ก็มีลูกค้าสั่งให้ไปส่งบ้างเวลาแกไปแกก็จะไปกับลูกชายของแกก็คือหลานของเจ้าของเรื่องนั่นแหละนะคะแล้วเรื่องมันก็เกิดขึ้นตอนเอาต้นไม้ไปส่งนี่แหละคุณผู้ฟังคุณลุงบอกว่าช่วงนั้นเป็นหน้าฝนเป็นฤ ด, ดูฝนแกก็ต้องขับรถ เพื่อที่จะเอาต้นกล้ามะ ม, าม่วงไปส่งให้กับลูกค้าที่ร้านขายกล้ามไม้แห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งปกติเวลาไปส่งเนี่ยแกก็จะเลือกเดินทางเฉพาะเวลากลางคืนนะเพราะว่าอากาศมันจะไม่ร้อนแถมรถก็ไม่เยอะมากด้วยขับรถสบายทางโล่งสะดวกดีแกก็ออกจากบ้านประมาณสองทุ่มได้นะคะคุณลุงเล่าค่ะว่าระหว่างที่แกกาลังขับรถไป ช่วงนั้นเป็นช่วงที่กำลังจะขึ้นเขาพอดีประมาณว่ า, าเลยอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ไปแล้วอยู่ดีๆค่ะรถก็เกิดเสียขึ้นมาซะดื้อคุณผู้ฟังคิดดูนะบนเขาแบบนั้นแล้วเวลาประมาณเที่ยงคืนแบบนี้จะหาช่างที่ไหนมาซ่อมได้คะแกก็เลยต้องจอดรถข้างทางแต่ว่าโชคดีค่ะตรงนั้นเป็นจุดพักรถพอดีคือจริงๆ ร, รถมันไม่ได้เสียตรงจุดพักรถหรอกนะ มันเลยมาเกือบสักกิโลนึงแล้วล่ะแต่ว่าจุดพักรถเนี่ยมันจะมีศาลาอยู่ก็เลยตัดสินใจพาลูกชายไปนอนกันที่ศาลาดีกว่าเผื่อว่าฝนตกลงมาจะได้มีที่หลบฝนด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเดินมาที่ศาลาเนี่ยแกก็ล็อกรถไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็หอบที่หลับที่นอนหมอนมุง้งซึ่งเวลาเดินทางไกลแบบนี้แกจะมีของพวกนี้เนี่ยติดไว้ในรถเผื่อฉุกเฉินด้วยทุกครั้งจนเดินมาถึงศาลาค่ะก็เดินสำรวจรอบ แกบอกว่าสภาพแวดล้อมในตอนนั้นช่างเปลี่ยวได้ใจจริงๆคือมืดมิดจริงๆเลยตรงสาลานั้นคุณลุงบอกว่าไม่มีไฟฟ้าใช้เลยแต่ว่ามันมีไฟทางนะไฟทางที่มีเนี่ยก็ดันมีเลยจากสาลาไปอีกมันก็เลยส่องไม่ได้ไม่ค่อยเต็มที่มองไปรอบๆนะคะก็มีแต่ภูเขากับป่าสภาพสาลาก็ดูสมๆเหมือนไม่ค่อยมีใครมาใช้งานกันมากนักแต่ว่าแกก็ไม่ได้คิดอะไรมากละค่ะ แค่มีที่นอนให้ผ่านคืนนี้ไปได้ก็พอเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยจะได้โทรเรียกให้ช่างมาดูให้คือช่างที่แกว่าก็เป็นคนรู้จักกันนั่นแหละแกะมีอู่อยู่ในจังหวัดแพร่นั้นด้วยนะคะทีนี้สองคนพ่อลูกก็จัดแจงปูที่หลับที่นอนกลางมุง้งกลางหมอนเรียบร้อยเพราะว่าในป่านี่ไม่ต้องบอกเลยนะยุงเยอะมากแทบจะหามเราบินขึ้นไปบนต้นไม้ได้เลยละค่ะคุณลุงเล่า ว, ว่าพอแกนอนกันไปได้สักพักหนึ่ง อยู่ในอาการเคลิ้มกำลังจะหลับแหลไม่หลับแลหลหูมันได้ยินเสียงเหมือนอะไรอยู่ใต้ศาลาคือศาลาริมทางตามบันนอกเนี่ยมันจะยกพื้นสูงถูกไหมคะคือประมาณสักเมตรหนึ่งน่าจะได้นะแล้วใต้ศาลาเนี่ยมันจะมีย่าขึ้นเต็มไปหมดเลยเสียงที่ได้ยินเนี่ยแกบอกว่ามันเหมือนเสียงอะไรดิ้นแรงๆจนย่าเสียงดังสวบสวบ คุณลุงแกก็คิดว่าเป็นพวกหนูพวกอะไรอย่างนี้ที่มันออกมาหากินกันตอนกลางคืนน่ยนะคะคุณลุงแกก็เลยไม่ได้คิดมากอะไรประมาณนี้เพราะว่าที่นั่นเนี่ยมันจะเป็นป่าเป็นอะไรไปหมดเลยก็พยายามข่มตาให้หลับลงค่ะแต่ว่าเสียงนั้นเนี่ยมันไม่มีท่าทีว่ามันจะหยุดเลยนะแถมมันดังขึ้นเรื่อยๆคุณลุงแกก็คิดในใจว่าหนูหาอะไรมันจะเยอะขนาดนี้วะพอสิ้นความคิดเท่านั้นแหละค่ะ แกก็ได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงพูดปนสะอื้นเหมือนร้องไห้พูดประมาณว่าอย่าทำหนูเลยหนูกลัวแล้วเป็นเสียงเย็นเยน็นยันยานปนกับเสียงสะอื้นเป็นระยะคุณลงุงแกเห็นท่าไม่ดีก็ปลุกลูกชายแกลูกชายก็เลยถามว่าปลุกทำไมมีอะไรพ่อคุณลุงแกก็เลยคุยกับลูกชายแกค่ะแกก็เลยถามไปบอกมึงไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยหรือไงแล้วก็บอกให้ลูกแกตั้งใจฟังลูกก็ตั้งใจฟังอยู่ตั้งนานพร้อมกับพยักหน้า ยังไม่ทันพูดอะไรต่อล้วคะ่ะเสียงใต้สาราก็ดังขึ้นอีกคราวนี้มีทั้งเสียงดิ้นเสียงร้องแบบเหมือนคนต่อสู้กันแล้วก็มีเสียงพูดว่าอย่าทํากูอย่าฆ่ากูลุงกับหลานในตอนนั้นมีทั้งความสงสัยแล้วก็ความกลัวเลยค่อยๆแหวกเสือที่นอนอยู่โดยพยายามแหวกให้ตรงร่องพื้นของศาลาพอมองลงไปเท่านั้นล่ะค่ะคุณผู้ฟังแกบอกว่าแกเห็นร่างผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนักศึกษา นอนดิ้นดิ้นเหมือนขัดขืนอะไรสักอย่างแล้วก็เอามือจับที่คอตัวเองเหมือนว่ากําลังดึงอะไรออกจากคอนะคะซึ่งสภาพหน้าต่างของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมันมีเลือดมีหนองไหลเต็มไปหมดตาเหลือกปนปากก็อ้ากว้างทั้งสองพ่อลูกเห็นภาพนั้นถึงกับตะลึงทําอะไรไม่ถูกหน้าชาตัวชาไปหมดขาแทบไม่มีแรงขนหัวลุกขนหัวตั้งนอนดูแบบนิ่งๆเหมือนโดนสะกดนะคะ แล้วอยู่ๆค่ะร่างนั้นก็หยุดนิ่งหันกลับมาสบตาแล้วก็ยิ้มให้สองพ่อลูกพร้อมกับพูดว่าเห็นแล้วไม่คิดช่วยกูเลยเหรอเท่านั้นล่ะทั้งพ่อทั้งลูกกระโจนออกจากศาลาแทบไม่ทันทิ้งที่หลับที่นอนหมอนมุ้งไว้แล้ววิ่งไปนั่งกอดกันอยู่หน้ารถทั้งสวดมนั้งทั้งกำรรพระที่อยู่หน้ารถนอนขดอยู่เบาะหน้าจนหลับไป พอเช้ามาก็เลยรีบโทรให้ช่างเนี่ยมาซ่อมรถให้พอช่างมาถึงลุงก็รีบถามเลยนะฮะว่าตรงศาลานี้เนี่ยมันเคยมีอะไรหรือเปล่าช่างก็ทำหน้าตกใจก็เลยบอกว่าอย่าบอกนะว่าเมื่อคืนพากันไปนอนตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยพวกสิบล้อผ่านมานอนเจอกันแทบทุกคืนตรงใต้ศาลาอะเคยมีคดีฆ่าข่มขืนนักศึกษาแล้วก็หมกศพไว้ใต้ศาลานั่นแหละกว่าจะมีคนมาเจอก็หลายวันจนศพขึ้นอืด ลุงกับหลานได้ฟังแบบนั้นก็เร่งให้ช่างซ่อมรถจนเสร็จพอรถเสร็จก็รีบออกจากตรงนั้นทันทีเรื่องราวก็มีทั้งหมดประมาณนี้นะคะน่ากลัวจริงคุณผู้ฟังแค่บีอ่านไปนี่ก็รู้สึกว่าขนหัวลุกเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพระเจอผีของเราด้วยค่ะคุณผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปให้กับบีเพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะ กลับมาพบกับเรื่องราวน่ากลั ว, น, ลวน่ากลัวแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ